ว่างจากการฆ่าเริ่มต้นเต็มคนด้วยหัวใจเต็มดวงสองมือขาวสะอาดสายตาบริสุทธิ์ใสลิตรอนสิทมดปลวกหัวใจเริ่มแหว่งหายสองมือเริ่มเปื้อนเปละ สายตาเริ่มขุ่นเขียวเริ่มค่าฟันอย่างมันเมาเอาชีวิตที่ใหญ่ขึ้นเห็นคนเหมือนผักปลาสุดท้ายไร้หัวใจสองมือเปื้อนเลือดสายตาชาด้านคล้ายพูดผีเข้าทุกที เพราะค่าจึงกลัวถูกฆ่าเพราะกลัวถูกฆ่าจึงต้องฆ่ามากขึ้นนาทีสุดท้ายไม่อยากตายก็สายแล้วเคยเฝ้าชมวาระสุดท้ายของผู้อื่นเคยเป็นความน่าสะพรึงกลัวของสัตว์น้อยใหญ่เมื่อถึงเวลาชมวาระสุดท้ายของตนเองย่อมตกตื่นลนลาน ไม่อาจทำใจให้เป็นสุขราทุกมหันของเหยื่อย้อนกลับมาทวงคืนพันเท่าหัดต่อชีวิตเริ่มจากคิดไม่ฆ่าถึงแม้สมควรฆ่าหรือแม้มีสิทธิ์ฆ่าจนเป็นสุขกับการไว้ชีวิตไม่เอาชีวิตใครจึงนับเป็นมหาทานข้อที่หนึ่ง ซึ่งรักษาหัวใจมนุษย์ไว้ให้เต็มดวงดังเดิมเหมือนแรกเริ่มเกิดมาเมื่อต้องลาโลกไปก็จะไม่ขาดทุน